ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาช่วยพวกเราทุกคนในที่นี้นะแม้ว่าจะต่างอายุต่างเพศนะต่างความคิดต่างภูมิลำเนานะแต่ก็เชื่อว่ามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเราท่องร่ายปรารถนาความสุข ที่พากันมาฟังธรรมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือความปรารถนาที่อยากพบความสุขในชีวิตอันนี้ความสุขเนี่ยเราจะหาพบได้ที่ไหนคนเตือไม่น้อยเนี่ย ก็เข้าใจว่าความสุขเนี่ยอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่โรงหนังอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารหรือพัตตะการหรูแล้วก็ดันด้นกันไปหลายคนมาถึงเพชรบุรีจากกรุงเทพมาหัวหิน ไปภูเก็ตก็เพื่อหวังจะพบความสุขที่นั่นหรือไม่เช่นนั้นก็เห็นว่าความสุขนี้มันอยู่ที่ทรัพสมบัติอยู่ที่ชื่อเสียงเกียรติยศหน้าตาบริษัทบริวาร แต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นเลยแต่มันอยู่ที่ใจของเราต่างหากความสุขนั้นเนี่ยหาได้ที่ใจใจเนี่ยมันแสนใกล้ แต่ว่าสำหรับคนจำน้นไม่น้อยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ห่างไกลเหลือเกินเมืผู้คนมองไม่เห็นความจริงนะว่ า, าสุขแท้เนี่ยพบได้ทีใจพากันไปแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัว ที่จริงทุกขณะนะเราสามารถจะพบความสุขได้พบได้ที่ใจของเราแต่ว่าในเวลาเดียวกันความทุกข์มันก็ไม่ได้ที่ไหนนะมันก็อยู่ที่ใจเหมือนกันหลายคนไปคิดว่านะ คนนั้นคนนี้ทำให้เราทุกข์ความทุกข์เกิดจากนะอากาศร้อนนะฟ้าฝนไม่เป็นใจรถติดหรือเมอกระทั่งเกิดจากคำต่อว่าดาทอหรือว่าความเจ็บป่วยนะที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ความทุกข์เนี่ยมันก็มาจากใจสุขหรือทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่ใจวันนี้เราคงไม่อยากจะให้ความทุกข์เนี่ยมันมาอยู่ในใจเราเราอยากให้ความสุขเนี่ยเขามานั่งในใจของเราก็ามาสถิตยอยู่ในใจของเรา เราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราดูแลจิตใจของเราดีพอแล้วหรือยังจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับห้องนะเราอยากจะให้ความสุขไปเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั้นเนี่ยห้องที่อยู่กลางใจเนี่ยก็ต้องถามว่าใจเราเนี่ยมันน่าที่น่าเข้าไปอยู่ไหม ใจของผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมั น, ม, นมือกับห้องที่กนะก ร, กรกนะรกระเกะระกะเวลาเราไปเจอห้องที่ก ร, กรกระเกะระกะนะเราอยากเข้าไปนั่งในห้องนั้นไหมเดี๋ยวว่าแต่จะไปนอนเลยใจผู้คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะสกปรก แล้วเธอะหรือว่าบางคนก็เปรียบว่ามันเหมือนกับมีลิงลบบบลีทั้งฝูงเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ย ใ, ใจคนเราเนี่ยลองถามใจของเราเองว่าในแจงเราเนี่ยมันเหมือนกับห้องที่นะสกปรกนะข้าของเรเกลียระกาหรือว่ามีลิงนะทั้งฝูงเนี่ยวุ่นวายอารวาดอยู่ในห้องนะหรือเปล่า ลิงที่ว่านี่หมายถึงอะไรหมายถึงความคิดฟุ้งซ่านผู้เจ้าเปรียบว่าจิตของคนเราเนี่ยเมื่อฟุ้งซ่านก็ไม่ต่างจากลิงมันสนเกเรถ้าว่าเราปล่อยใจของเราให้เหมือนกับห้องที่ร้อเธอระเกลระกาับอยากแย่ฝุ่นจับเคระหรือว่ามี ถิงสารสัตวนะ์นานาชนที่อยู่ในนั้นเนี่ยความสุขก็เข้าไปนั่งเข้าไปสถิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ถ้าอยากให้ความสุขเข้าไปนั่งในใจเราเราก็ต้องรักษาใจของเรานะให้สะอาดให้โปรโ่งเราอยากจะให้พื้นของเรา มาพักในห้องเราต้องทำให้ห้องนั้นเนี่ยนะน่าอยู่น่าพักเป็นระเบียบเราคงทราบนะว่าถ้าหากห้องใดก็ตามเนี่ยที่ปล่อยให้ข้อของระเ ก, รกะระกะนะอยากหญ่จับนะฝุ่นเครอะไม่มีการทาความสะอาดเล ย, เนยหนูก็ดีสัตว์ร้ก็ดีมันก็เข้าไปอาศัย นะอย่างต่ำๆก็มแมลงสาบนะมาไปก็นก่อาจจะเป็นงูนะมแมลงป่องตะขาบใจของเราเนี่ยนะถ้าปล่อยให้เป็นเหมือนดังห้องที่ว่าเนี่ยนะจะไม่มีทางพบความสุขได้เลย ใจที่ราเกลระกะห้องทีราเกลระกะเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ปล่อยให้ความคิดอกุศลหรือว่าความโกรธความเกลียดยความท้อแท้มันเข้าไปนั่งเข้าไปครองถ้าอยากมีความสุขที่แท้จริงเนี่ย ต้องมันดูแลจิตใจของเราให้สะอาดให้โป ร, โโรง่งโล่งเหมือนกับห้องนะที่ความสุขเนี่ยนะอยากจะเข้าไปนั่งอยากจะเข้าไปสถิตนั่นะคือการที่คอยา ม, มาดูแลนะไม่ให้ความคิดของเราเนี่ยมันเป็นความคิดที่อกุศล ไม่ปล่อยให้ความคิดจิตใจว่าวุ่นฟุ้งซ่าจะทำงานได้ก็ต้องมีส ต, ติส ต, ติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาใจที่ดีมากส ต, ติเป็นเหมือนกับยามหรือว่าผู้รักษาประตูยามรักษาบ้านหรือผู้รักษาประตูเมืองนะ จิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับบางทั้งผู้เจ้ารัดเปลือกเหมือนกับ น, นครจำเป็นต้องมีฐานยามาเฝ้ารักษาประตูเมืองเอาไว้สตินั่นแหละนะจะทำหน้าที่นี้นนถ้าเรามีสติคอยดูแลรักษาใจใจเราก็จะไม่มีสัตว์ร้ายเข้าไปอาศัย และถ้าว่าเรารู้จักดูแลจิตใจของเราให้สะอาดโดยการทําสมาธิภาวนาจิตใจของเราเนี่ยก็จะน่าหน่าเข้าไปพักอะไรเข้าไปพักก็คือความสุข้เรื่องการดูแลจิตใจเป็นเรื่องสําคัญสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขเมื่อเราดูแลจิตใจดี ความสุขก็จะพบที่นั่นแต่เมื่อถ้าว่าเราไม่ดูแลจิตใจความทุกข์ก็จะเข้าไปอาศัยและขับไล่มันก็ไม่ไปนะไม่ยอมไปเจนกว่าจะทำทำใจให้สะอาดทำใจให้โปรง่งให้เบานะ ไม่ว่าเราจะมีเราจะได้อะไรมาก็ตามเนี่ยจะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อใจเนี่ ย, เ, ยเอออหรือร่วมมือด้วยเรากินอาหารที่แพงแค่ไหนฟังเพลงซื้อตัว๋วคอนเสิร์ตราคาหลายพันหรือเป็นหมื่นก็ตาม ถ้าเกิดว่าขณะที่กินอาหารขณะที่ฟังเพลงดูคอนเสิร์ตเนี่ยใจเราวิตกกังวลนะหรือว่ากำลังเศร้าเพอสูญเสียคนรักหรือกำ ล, งกลังโกรธเพอลูกน้องนะทํางานผิดพลาดกินอาหารมื้อนั้นก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะดูคอนเสิร์ตก็ไม่รู้สึกสนุกด้วย จะไปเที่ยวถึงอเมริกาจะไปเที่ยวถึงยุโรปนะแต่ถ้าใจเนี่ยนะวิตกกังวลคุณคิดถึงงานเป็นห่วงลูกเที่ยวก็ไม่มีความสุขหรือแม้แต่ความสนุกด้วยซ้ํนะาุทธเจ้าตัดว่าทำทั้งหลายเนยะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจคาว่าทำทั้งหลายนะี่หมายถึงคว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะ รวมทั้งความสุขด้วยความสุขเนี่ยอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะแม้แต่จะไปดูหนังฟังเพลงแม้แต่จะไปเที่ยวห้างแต่ถ้าใจเนี่ยเขาไม่ร่วมมือด้วยนะก็ไม่มีความสุขมีเพชรมากองอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าใจเนี่ยกำลังหดขู่เศร้าหมองเนี่ย ก็ไม่รู้สึกเลยว่าเพชรเนี่ยมันงามไม่มีอารมณ์ด้วซ้าที่อยากจะดูมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยนะเดิมเป็นหมอนะแต่เธอตอนหลังก็มาทำทำธุรกิจทำไปทำมาก็ประสบความสำเร็จนะตอนหลังก็ได้แต่งงานกับนักธุรกิจอีกคนหนึ่งแล้วก็มาร่วมกันนะทำธุรกิจนะที่ เป็นที่รู้จักทั่วประเทศเอาเงินทองก็ไหลามาเท ม, มากิจการก็ขยายกว้างขวางแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยสามีก็บอกเธอว่าอยากจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นต้องแยกทางกันเธอรู้สึกว่าเหมือนกระจสลายเลยนะเหมือนว่าสูญเสียทุกอย่างเลย ความสุขเป็นอย่างนั้นตองที่เธอแค่สูญเสียสามีทั้งนั้นแหะคือสูญเสียผู้ชายที่รักแต่อย่างอื่นเธอไม่ได้เสียเลยนะบริษัทนะการงานทรัพย์สินเงินทองยังอยู่ครบแต่เธอส่วนมึนก็สูญเสียทุกอย่างเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกไร้ค่าผู้ชายทิ้งเธอบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลา เวลาเวลาสบายเวลาสบายๆเนี่ยเอาเพชรเนี่ยนะเพชรที่เธอซื้อมาเนี่ยเป็นถุงเลยนะเอามาวางมาโรยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นแล้วก็มีความสุขไม่ได้ใส่นะเพียงแค่เห็นเนี่ยเพชรมาโรยอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะมีความสุขแต่เวลาที่เธอตอนที่เธอมีความทุกข์เพราะว่าแฟนทิ้งเนี่ยสามีทิ้งเนี่ยนะมีเพชรนะ เพชรไม่ได้หายไปไหนเพชร ย, ยังอยู่ราคาก็คงหลายสิบล้านนะนะรวมกันละแต่ดูแล้วเนี่ยนะมันเหมือนกับก้อนหินธรรมดาคือมันไม่มีคุณค่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกมีความสุขหรือว่าอิ่มเ อ, อิบเลยในตอนนั้นเนี่ยเพชรช่วยอะไรไม่ได้เลยนะใครที่คิดว่าโอ้ถ้าฉันมีเพชรนินจินดามากมายฉันจะมีความสุขเนี่ยนะ เป็นเพราะเขาไม่ได้ตระหนักว่าความสุขเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ใจนะถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าใจห่อเคียวจะพ่อเหตุผลอะไรก็แล้วแตนะ่ยังไม่ต้องสูญเสียลูกนะยังไม่ต้องสูญเสียพ่อแม่เลยเพียงแค่คนรักเข า, าทิ้งเราไปเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่ามันทุกข์มาก มันเชื่อเห็นแล้วนะว่าทรัพสมบัติเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มีความสุขอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญก็คือใจใจของเราเป็นบวกไหมใจของเราโปร่งเบาหรือเปล่าตรงนี้แหลที่เป็นที่มาแห่งความสุขจริงๆแล้วเวลาพูดถึงความสุขนะ ม, นมันมีสองประเภทนะ พูด ง, ง่ายๆคือความสุขประเภทแรกคือความสุขที่เกิดจากการมีการได้การครอบครองหลายคนเนี่ยรู้จักแต่ความสุขประเภทนี้ก็คือก็เลยพยายามที่จะแสวงหาพยายามเชื่อครอบครองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินเงินนะเพชรนินจินดานะแล้วคิดว่าถ้ามีมากเท่าไหร่ก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นก็มี ก็เลยต้องพยายามตักตวงหาเงินมีเงินแล้วก็ต้องซื้อบ้านนะต้องมีรถยนต์หลายคันแม้แต่เด็กก็ต้องมีโทรศัพท์หลายเครื่องหรือแม่จะมีโทรศัพท์เครื่องเด็กก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยไม่ว่าเด็กรู้วัยนะแต่ก็คิดว่าเนี่ยถ้ามีมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากเท่านั้นแต่ว่าความสุขเหล่านี้เนี่ยนะมันมันไม่เคยเที่ยงเท่าไหร่นะเพราะว่า พอมีแล้วเนี่ยก็ดีใจไปเดี๋ยวเดียวก็อยากได้อีกไอตอนที่ยังไม่ได้มาไม่ได้เพิ่มก็ทุกนะฮะเด็กๆเนี่ยมีของเล่นเยอะแยะแต่ทำไมเขางองแงเขาอยากได้อีกอยากจะให้แม่ซื้อของเล่นให้อีกมีของเล่นมีทุกอย่างก็ยังอยากได้โทรศัพท์มือถือนะถ้าไม่ได้ก็ทุกนะ ร้องห้เสียใจงองแงป่วยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าของอาจจะแพงขึ้นใหญ่ขึ้นมีเสื้อผ้าอยู่ห้าสิบตัวร้อยตัวก็ยังอยากได้ตัวที่ร้อยหนึ่งตัวที่ร้อยสองทำไมคนบางคนเนี่ย ม, มีรองเท้าสองร้อยคู่สามร้อยคู่แล้วเนี่ยก็ยังอยากได้อีกเพราะอะไรเพราะว่า ความสุขที่ได้จากรองเท้าเนี่ยมันประเดียวประดาวได้มาก็ดีใจทีแรกเสร็จแล้วก็ชักเบือ่อความสุขจากการได้จากการมีเนี่ยนะมันสุกเร็วก็จริงนะแต่มันก็เบื่องง่ายเนะบื่อง่ายก็ต้องอยากก็ต้องอยากได้อีกนะที่นลนคนขวายมาแล้วตอนที่ลนคนควายเนี่ยนะมันก็เหนื่อย เหนื่อยในการหานะหาไมา่ได้ก็ต้องรักษาก็เหนื่อยอีกนะต้องสร้างรัว้วต้องสร้างกำแพงต้องมีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้นะมีรถราคาหรูยีล้านเนี่ยไปจอดที่ไหนก็ถ้าจอดข้างถนนก็ไม่ค่อยสบายใจนะ กังวลว่าใครจะมาขี่ใครจะมาขวนหรือเปล่านะตอนขับปะรู้สึกเท่รู้สึกมีความสุขเพราะได้โชว์ออฟได้เท่นะแต่พอจอดข้างถนนเนี่ยกังวลละแนะม้แต่จอดในบ้านตัวเองนี่บางทีก็ยังไม่ค่อยสบายใจนะแ ต, ตามา่คือไปบ้านเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากที่ภูเก็ตลูกชายนี่มีรถร a m b o กินนี่นะไม่รู้สกกดถูกไม่รู้เรียกถูกะนะรัมบกินนะี่เนี่ย ยีล้านจอธรรมดาไม่ได้นะต้องสร้างบ้านให้มันอยู่นะเป็นเป็นบ้านกระจกนะแล้วก็เปิดแอร์ทั้งวันที่เป็นกระจกเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้หนูเนี่ยเข้ามามากัดกินสายไฟแล้วต้อง เ, ออเปิดแอร์ให้มันอยู่เพราะว่ามันมันมาจากอิตาลีนะมันประเทศหนาวนะประเทศยุโรปนะก็ต้องเปิดแอร์ไม่งั้น เสียเร็วเกิดไฟดับแอร์ไม่ทำงานเนี่ยทุกเลยนะคือความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกนะทุกที่ต้องดิ้นรนลักดิ้นรนหาได้มาแล้วก็ต้องรักษานะและไม่ว่าจะรักษาอย่างไงเนี่ยมันก็ต้องมีวันเสื่อมวันเสียไปหรือว่าพัดพากจากไป ไอ้ตอนนี้แหละยิ่งทำให้ทุกข์เข้าไปใหญ่หรือถึงไม่ไมพัดพรากไม่สูญเสียมันยังเหมือนเดิมยังใช้ได้แต่ว่าก็จะรู้สึกจืดจางรู้สึกเบื่อรองเท้าก็มีไม่ได้หายสักคู่เลยนะสามร้อยคู่เสื้อเพชรในจินดาก็ยังมีอยู่ครบแต่ว่ามันเบื่อละอยากได้ใหม่อยากได้อีกมีรถสิบคัน รถก็ยังไม่เสียแต่ว่าเบื่อแล้วอยากได้คันใหม่รุ่นใหม่ไอตอนที่ได้มานี่ก็เหนื่อยนะคนที่หลายคนที่ได้ iPhone 6นี่หัวกว่าจะได้มานี่ต้องไปเข้าเข้าคิวรอนะสามสี่ชั่วโมงนะเพื่อที่จะซื้อมานะ iPhone 6เนี่ยในเมืองนอกนี่ถึงกับจ้างคนเนี่ยมาทำหน้าที่เข้าคิวเลยนะชั่วโมงยี่สิบเหรียญ ตอนหลัง20เหรียญก็ไม่เอาแล้วขอสามสเหรียญ น, นะแล้วเข้าคิวกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงนะ 5, งนะจ่ายไปเกือบ200เหรียญบางทีตัวเครื่องเนี่ยนะยังถูกกว่าค่าจ้างให้คนไปเข้าคิวซิ่นะเมืองนอกที่มันถูกนะเพราะว่าเขอมีวิธมีมีวิธีการโปรโมทโปรโมชั่นนะตัวเครื่องถูกแต่ว่าค่าบริการแพง ได้มาแล้วโอ้โหอุตส่าห์เข้าคิวเป็นหลายชั่วโมงได้มาแล้วรู้สึกภูมิใจแต่ตอนนี้ชักเบื่อแล้วเพราะว่า iPhone 7กำลังจะมาคนที่มี iPhone 4เคยภูมิใจนะตอนนี้รู้สึกอายที่ใช้เพราะว่าคนก็ใช้ i p h o n ห6กันละของยังใช้ดีอยู่เลยนะแต่ว่ามันไม่ให้ความสุขแล้วเพราะว่ามันจืดจางเร็ว ความสุขที่เกิดจากการมีการได้เนี่ยนะมันมันมันเจอไปด้วยทุกข์มากรวมทั้งการมีเงินมีทองมีร่ำรวยมีเรื่องเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเออไปไปไปไปกราบหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสักแกนะ อยุธยาท่านมรณภาพาไปไปหลายปีแล้วกราบเสกบอกเนี่ยเพิ่งไปเช่าพระอุปคุดมาหลวงปู่ก็ถามว่าเช่ามาทําไมก็บอกเช่าแล้วเนี่ยจะรวยครับท่านก็เลยพูดเปลยเปลยเบาๆว่าเออรวยกับซวยมันใกล้กันนะท่งงหมายความาไงครับมันเขียนคล้ายๆกัน แต่แล้วท่านก็อธิบายาเนี่ยนะรวยเนี่ยนะกว่าจะรวยมันก็เหนื่อยนะเสียก็ต้องรักษานะรักษาเงินรักษาทองอาไว้ก็เหนื่อยในการรักษาแล้วพอเสียไปก็ทุกข์อีกนะนะคือรวยเนี่ยนะมันมันต้องเหนื่อยการรักษาเราต้องทุกข์เมื่อต้องเสียไปทนะ่านถึงเรียกว่ารวยกับรวยเป็นใกล้กันท่านก็บอกว่ายอย่าเอารวยเลยนะเอาความดีดีกว่า เพราะความดีทำให้สุขใจนี่คือความสุขประเภทแรกความสุขประเภทที่สองเนี่ยคือความสุขที่เหมือนกับตรงคร่ากันนะความสุขประเภทแรกคือความสุขที่เกิดจากการมีการได้ความสุขประเภทที่สองคือความสุขที่เกิดจากการละการสละหรือการให้ความสุขนี้เนี่ยมันให้ผลที่ใจนะ ยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุขนะไม่ใช่แค่สุขใจฉะนั้นบางทีสุขกายด้วยนะเคยมีคุณนิรมนเมธีสุรกุลเนี่ยที่ทำสารคดีช่องสามเช้าวันเสาร์ ช่องสมเนี่ยทุ่งหญ้าป่าใหญ่สารคดีเด็กสรการคดีที่เกี่ยวกับชนบทเนี่ยเคยเล่าว่าเมื่อสิกาปีก่อนเนี่ยไปถ่ายทำสารคดีแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดก็อยู่หลายวันนกระทั่งคุณเคยกับชาวบ้านที่นั่นวันหนึ่งคุณป้าเนี่ยถือป่าปวงใหญ่มาแล้วก็ถาม คนในกองถ่ายว่าปลาพวงเนี่ยทำมาที่กินได้นานคนในกองถ่ายก็เจอคนในเมืองนะบางคนก็บอกว่าเอาไปตากแดดบางคนบอกเอาไปหมักบางคนบอกเอาไปซอป้อเอาไปทาส้มทําปลาระบางคนบอกใส่ตู้เย็นกินได้นานคุนป้าบอกไม่ใช่ต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอย่างทั่วถึงนะถ้าไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทั่วถึงเนี่ยก็จะกินได้นาน มันขัดกว่าความเข้าใจของคนสมัยนี้นะถ้าไปแบ่งให้คนอื่นก็จะมีกินน้อยลงใช่ไหมแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าปแบ่งให้เขามาเท่าไหร่เนี่ยถึงเวลาเขามีขาปลามาได้เขามีปลาเขาก็จะแบ่งให้เราความสุขที่เกิดจากปลาที่ได้จากเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ความสุข ท, ที่ปากนะที่ลิ้นนะสำคัญกันนะั่นคือความสุขใจเพราะว่าเป็นการให้น้าใจต่อกัน แสดงน้ําใจต่อกันเรียกว่าสุขทั้งกายนะสุขทั้งใจนะกินก็อร่อยใจก็มีความสุขนะอันนี้เป็นเรื่องของความสุขใจที่เกิดจากการให้นะทำไมพระพุทธเจ้เนี่ยจึงจึงสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้ทานการให้ทานเนี่ยมันเป็นบุญกิริยาข้อแรกเลยนะแล้วก็เป็นข้อแรกในทศชีวิตเราจะทําเป็นข้อแรกในบารมีสิ ความดีทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะความดีสามที่บบุญกิริยาความดี1ิที่เรียกว่าทานอันที่เรียกว่าบารมีสิหรือว่าทศวิราชธรรมเนี่ยร่วตั้งแต่เริ่มต้นที่ทานสาังขาวัตถุสี่ก็เริ่มต้นที่ทานทานนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความดีที่พึงทาเพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันไม่ใช่ทาให้เกิดความร่มรื่น ความสงบสุขในสังคมเท่านั้นมไม่ได้เป็นเบี้ยวกับผู้รับเท่านแต่เป็นเบี้ยวกัผู้ให้ด้วยผู้เจ้าจัดว่าผู้ให้ความสุขจําได้รับความสุขทีนะ่แรกเราเริ่มตัวนด้ยกันให้ทานนะการสละออไปยิ่งถ้าให้โดยที่ไม่ได้วางผลตอบแทนจะมีความสุขมากแต่ต้องให้ให้เป็นนะหลายคนให้แล้วเนี่ย ก็ไปคาดหวังว่าเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราเขาจะตอบแทนเราอันนี้ต้องระวังมากเลยหลายคนให้ไปแล้วช่วยไปแล้วมีความทุกข์เพราะว่าไอ้คนที่ได้รับความช่วยเลือจากเราเขาไม่ได้สนใจจะมาช่วยเหลือเราเลยไม่มีน้ำใจให้กับเราเลยหลายคนจะมีปัญหาแบบนี้นั่นเป็นเพราะเขาวางใจไม่ถูกเพราะคิดว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยเขาคาดหวังลึกๆว่าจะได้รับผลตอบแทน คนที่รับไปแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำใจกับเราเขาจะช่วยเราเขาจะมาแบ่งให้เราบ้างถ้าคุณตั้งจิตแบบนี้หรือมีความคิดแบบนี้เนี่ยทุกเลยนะเพราะว่าบางทีเขาก็ลืมบางทีเขาก็ไม่สนใจให้เนี่ยต้องให้จริงๆนะคือให้แบบสลากไปเลยนะไม่คาดหวังว่าเขาจะตอบแทน ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะใช้หนี้ของเราคือหนี้บุญคุณลืมไปเลยอันนี้แหละคือการให้อย่างแท้จริงคือการสละอย่างแท้จริงรวมถึงสละเวลาถวายของให้กับพระด้วยนะหลายคนเนี่ยเวลาถวายอาหารให้หลวงตาหลวงพ่อถวายผ้าให้ท่านก็คอยดูว่าท่านจะ กินอาหารของท่านจะฉันอาหารของเราไหมท่านจะคลองผ้าของเราไหมพอท่านไม่ฉันท่านไม่คลองเป็นไงทุกอันนี้เราเป็นการให้แบบไม่เสด็จนามนะเพราะว่ายังมีความสุขว่าอาหารของฉันจีวนของฉันอยู่ว่าไม่ใช่ของฉันแล้วนะเป็นไปของท่านแล้วใช่ไหมถ้าให้ก็ต้องไปของท่านใช่ไหมแต่ในใจเนี่มันมีเยื่อใยว่าเนี่ยนี่ของเรานี่ของเราแล้วท่านจะทําไมไม่ฉันไม่ฉันของเราทำไมไม่ท่านไม่คลองผ้าของเรา การให้แบบนี้เนี่ยนะมันยังมีเยื่อใ่อยู่นะและถ้าให้แบบมีเยื่อใยเนี่ยมันจะทุกข์บุญจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยต้องให้แบบสละไปเลยเป็นของท่านไปแล้วท่านจะฉันไม่ฉันท่านจะครองไม่ครองเป็นเรื่องของท่านเราให้ด้วยศรัทธาเมื่อให้ก่อนให้จิตผ่องใสให้เสดจใจเบิกบานอันนี้บุญครบถ้วนเลย ไม่ได้ตั้งใจจะได้แต่มันได้เองเพราะว่าใจที่ไม่ปรารถนาสิ่งใดเป็นการตอบแทนเนี่ยความสุขที่เกิดจากการสละเนี่ยแต่เกิดจากการให้เนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เริ่มต้นด้วยการให้สิ่งของต่อไปก็ให้หรือสละสิ่งที่ละเอียดมากกว่า น, นั้นนะเช่นอาจจะไม่ใช่ของเลยนะแต่ว่า เป็นเป็นความยึดติการให้เนี่ยนะการให้ทานเนี่ยการให้ทานจะได้ผลอย่างแท้จริงก็ต่เมื่อมันช่วยทำให้เราเนี่ยลดความยึดมั่นถือมั่นที่แรกลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของในทรัพย์สมบัติลดละความรู้สึกตัวกูของกู ต่อไปเนี่ยนะให้เราฝึกที่จะสละสิ่งอื่นด้วยเช่นอะไรเช่นความโกรธนะความกังวลความโกรธเนี่ยมันสร้างความทุกข์ใจกับผู้คนนะไม่มีใครโกรธแล้วมีความสุขนะทุกคนโกรธแล้วมีความสุขนะไม่มีทุกคนโกรธแล้มีความทุกข์ทั้งแต่แปลกนะไม่ยอมไม่เคยอยากจะสละความโกรธออกไป เวลามีเพื่อนแนะนำสมมติเราโกรธเนี่ยมีเพื่อนแนะนำว่าให้อภัยก็เถอะนะบางทีเราโกรธเพื่อนนะว่าทำไ ม, ไมแนะนำแบบนี้ทำไมไม่เชียร์ให้เราไปลุยกับมันนะทไมไม่แนะนำให้เราให้อภัยใช่ไหความโกรธมันเผาเราจริตใจแต่ว่าทำไมเรากลับหวงกับแหนความโกรธเอาไว้ใครมาแนะนำให้อภัยเราจะโกรธเขาเราจะไม่พอใจเขา ถาเรจัดสลาความโกรธไปด้วยกันให้อภัยเขาหรือทําได้ดีกว่านะั้นคือแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเราจะพบความสุขความสงบเย็นมันจะเป็นการช่วยสมานแผลในใจใครก็ตามที่มีความโกรธเนี่ยเขามีแผลในใจนะถ้าแปลงไว้เวลาโกรธเนี่ยนะเราไม่ค่อยอยากจะให้อภัยใครเวลาโกรธใครแล้วไม่คอยอยากให้อภัยเขาเท่าไหร่ หลายคนมีข้ออ้างมีเหตุผลมากมายที่จะสนอมรักษาความโกรธเอาไวนะ้หลายคนพยายามหล่อเลี้ยงความโกรธเอาไว้จนะพยายามนึกถึงคนที่ทําให้เราไม่พอใจนึกถึงเขาบ่อยๆบางทีถึงกระสักสักตามข้อมือบ้างนะสักตามแขนบ้างเพื่อกลัวว่าจะลืมลืมโกรธมนะีนะคนกลัวลืมโกรธนะ ประจีนเน่ยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ปกครองรัฐรัฐรัฐรัฐหนึ่งนะสมัยสมัยจีนมันปกครองเป็นรัฐรัฐแกชื่อโกจ้่งนะโกเจ้่งเนี่ ย, Go ยถูกตีเมืองแตกแล้วก็ถูกจับไปเป็นไปเป็นทาสไปเป็นข้ารับใช้ของอีกเมืองหนึ่งสมมติว่าชื่อเมืองยุ่ก็แล้วกันนะแต่มาจําชื่อเมืองไม่ได้ก็เป็น เป็นฆ่าเป็นเป็นเอ่อเป็นคนเลี้ยงม้าเนี่ยผู้เสียเกียรติยศมากนะจากกรสันเนี่ยกกไปเป็นคนเลี้ยงม้าอยู่นานนะหลายสิบปีดีที่เขาเขาไม่ฆ่าแกเคยท่จะฆ่าตัวตายแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้มีมีเอ่อฆารับใช้ได้ห้ามเอาไว้บอกว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้กลับไปครองราชเหมือนเดิมแกก็พยายามที่จะประครองตัวพยายามทําความดีความชอบจกงกระทั่งได้เป็นอิสระ ที่ไปสละกพอแกยอมไปกินขี้ของพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนั้นนะคือเจ้าพระเจ้าแผ่นดินไม่สบายไม่สบายเนี่ยวิธีการก็คือตรวจสุขภาพ้วยการชิมขี้นะแล้วแกก็รู้ว่าออพอแกชิมขี้เนี่ยแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะหายบอกว่าพระราชาหรือว่าองเต้วนั้นก็หายจริง ได้คนทีกรํมชอบก็ถูกปลป่อยไปสละพอแกกลับไปที่เมืองของตัวนนะเนี่ยนะใจเนี่ยคิดแต่จะแก้แค้นเพราะรู้สึกถูกเหยียดยามทำสีมากและวิธีที่จะทำให้ไม่ลืมความโกรธเนี่ยก็คือนอนอยู่บนฟางนอนอยู่บนหญ้าแห้งเป็นกระสับแล้วนะเป็นห้องเต้นนะยังนอนอยู่บนหญ้าแห้ง อาหารก็กินแต่เวลากินอาหารอร่อยแค่ไหนจะต้องเติมดีเข้าไปเพื่อให้มันขมให้มีความให้เกิดความรู้สึกเดิมๆเหมือนกับตอนที่ไปเป็นคนเลี้ยงมา้าเพื่อจะได้ไม่หายโกรธเพื่อห้มีความโกรธมีความแค่มีความพยาบาทแกทำเงี้ยประมาณ10กว่าปีนะระหว่างนั้นก็ตัดเตรียมรีพลเพื่อจะไปแก้แค้นผู้ปกครองเมืองนั้น ส่งไซซีนะไซซีเนี่ยพวกเราคงรู้จักนะเป็นผู้หญิงสาวงานเนี่ยออกไปเพื่อไปไปทำให้กษัตริย์องค์นั้นเนี่ยหมกมุ่นกับเรื่องความสุขสนานลืมราชการบ้านเมืองพอได้โอกาส ก, าก็ไปโจมตีสำเร็จนะหลังจากนั้นแหละจึงค่อยกลับมาใช้ชีวิตแบบสบายอันนี้เป็นเรื่องราวคนที่ พยายามรักษาความโกรธเอาไว้หลายคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เป็นแบบโกรเจียงกันนะแต่ว่าพอลาโกรธใครก็ไม่อยากจะให้อภัยบางคนก็บอกว่าฉันจะให้อภัยก็ตร้งมื่เขามาขอโทษฉันหลายคนมักจะให้ผลแบบนี้พูดแบบนี้อาตมาอย่าเปรียบเทียบแบบนี้นะสมมุติว่าคุณถูกลดชนกลางถนน ชนแขนหักขาหากักหรือว่าตับจะแตกแล้วรถคันนั้นเนี่ยก็ชนแล้วหนีหนีไปไกลเลยนะไร้ร่องรอยโชคดีที่มีรถพยาบาลเนี่ยมามาทันเวลาก็จะมารับคุณเนี่ยขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่คุณบอกว่าฉันไม่ไปฉันไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่าไ อ, ไอรถคันนั้นเนี่ยจะมาขอโทษฉันเนี่ย คุณคิดว่าทำแบบนี้ฉลาดไหมนะมีใครทำอย่างนี้บ้างทุกคนคิดอย่างนี้วเอ๊ะต้องไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อไปรักษาตัวนะนั่นคือในอยามที่ร่างกายเจ็บป่วยในยามที่ร่างกายเป็นแผลแล้วเวลาร่างกายวเวลาจิตใจมีแผลเนี่ยเพราะความโกรธเนี่ยทําไมไม่ทำํำเหมืงนั้นบ้างก็คือว่าเมื่อมีแผลนะ ก็ต้องรีบเยียวยาต้องรักษาแผลที่ใจก่อนไอคนที่ทําให้เรามีแผลเนี่ยมันจะมาขอโทษมาอีกเรื่องหนึง่งนั่นเรื่องที่หลังสิ่งที่ควรทาก่อนคือว่าช่วยเยียวยาใจของเราแต่ไะมแต่ทําไมหลายคนบอกว่าฉันจะรักษาแผลในใจเนี่ยก็ต่อเมื่อไอ ห, หมอนั่นมาขอโทษฉันอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าฉลาดหรือเปล่า นะคนฉลาดคุณรักตัวเองนี่เขาต้องรีบเยียวยาจิตใจก่อนและวิธีการเยียยาจิตใจคือการให้อภัยการให้อภัยคือยาสามัญประจาใจนะมียาสามัญประจาบ้านไม่พอต้องมียาสามัญประจาใจการให้อภัยช่วยทำให้เราสละวางความโกรธแล้วเมื่อคุณวางความโกรธได้นะใจเนี่ยจะ หลุดจากนรกนรกที่ไฟเผาผลาญให้รุ่มร้อนใจจะเย็นสบายหลายคนเนี่ยนะให้อภัยเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วกับความโกรธที่มันเผาใจเพราะเขารู้ว่าถ้าโกรธต่อไปเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ไปไม่ไหวนะพอพอพอพอให้อภัยเสร็จผมมันโล่งเลยนะ ที่บ้านการยานพิเศษนะพราเราคงรู้จักบ้านการยานพิเศษเป็นบ้านที่ที่เอาเด็กเนี่ยที่ก่ออากรรมคมคืนฆ่าขาโมยเนี่ยแต่ว่าอายุไม่ถึงเนี่ยก็ค่อยมาแต่ไม่ใช่เป็นสถานที่ดัดสันดานนะเป็นสถานที่เขาต้องการพักเตรียมตัวเพื่อเด็กเนี่ยกลับไปสู่โลกกว้างอย่างเป็นปกติชนมีเด็กคนนึงไปฆ่าไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งนะ ก็เลยถูกจับมาที่บ้านกาจนาต่อมาลูกของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยนะซึ่งนอนแค้นมากนะก็บังเอิญเนี่ยไปทำผิดแล้วก็ถูกจับมาอยู่ที่บ้านกาจนาเหมือนกันเด็กที่เสียพ่อเนี่ยก็รู้ว่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อเนี่ยอยู่ที่นี่รู้ว่าเป็นใครด้วยไอ้คนที่ฆ่าที่เป็นฆาตกรเนี่ยก็เสียวนะเพราะว่ารู้ว่าลูกชายของ คนที่ตัวเองค่าเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าผู้อำนวยการเนี่ยของบ้านกาจนาเนี่ยคือคุณท่ชาณรคอนเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กมากเลยนะเป็นคนที่ให้ความรักกับเด็กเป็นคนที่พร้อมจะให้โอกาสกับเด็กแล้วก็ลุกก็เชื่อว่าเด็กเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะเป็นฆาตกรเนี่ยสามารถจะเป็นคนดีได้ถ้าได้ความรักถ้าเกิดความรู้สึกบวกกับตัวเอง เพราะคนส่วให ญ, ญ่ที่ทำชั่วฆ่าคนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วทำทำทำดีไม่เป็นทำดีไม่ได้ก็ต้องเดินทางชั่วแทนนนี้คุณที่ชายก็เห็นนะว่าก็รู้นะว่ามันมีความตึงเครียดกันระหว่างสองคนนี้แล้วก็ถ้าทำไม่ดีเนี่ยก็อาจจะตายกันได้นะ แตในสื่อเนี่ยก็สามารถจะทําให้มีการกระบวนการให้อภัยรายละเอียดมีเยอะแต่มาไ ม, ไม่เล่านะแต่วิธีกิจกรรมหนึ่งคือว่าเชิญแม่ของคนที่ตายเนี่ยก็คือยายของเด็กเนี่ยมาพูดถึงการให้อภัยสุดท้ายในสุดเนี่ยเด็กคนที่เสียพ่อเนี่ยซึ่งเคยที่จะแก้แค้นให้กับพ่อเนี่ยเขาก็ ยอมให้อภัยกับเพื่อนยอมให้ภัยเพื่อนที่เพื่อนที่ติดคุกในบ้านกาจนาด้วยกันเมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยพอให้ภัยเสร็จแ้วเด็กเขาสุขสบา ย, ยนะเด็กเขาบอกว่ารู้นี้ทําไปนานแล้วรู้นี้ทําไปนานคือรู้เนี่ยให้อภัยไปนานแล้วเพราะว่ามันมันมันก็ออกจากนรกนะเหมือนจะเรียกว่าขึ้นสวรรค์ก็ไม่ปานนะ เนี่ยเป็นความสุขใจที่เกิดจากการสละแบบหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่สละไม่ใช่ไม่ให้ให้ทานนะจะเป็นการให้อภัยทานไม่ใช่ให้สิ่งของไม่ใช่ให้ทานด้วยสิ่งของแต่เป็นการอภัยทานซึ่งก็เป็นการลดละความยึดมั่นถือมั่นแบบหนึ่งแต่คนเราเนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะความโกรธอย่างเดียวนะเราทุกข์เพราะ ความเศร้าความเสียใจก็เหมือนกันนะอารมณ์ใดอารมณ์เนี่ยที่มันให้ความทุกข์กับเราเนี่ยเราก็ยึดนะคนเราไม่ได้ยึดแต่อารมณ์ที่ให้ความสุขกับเราคนเราไม่ได้ยึดแต่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นรถบ้านทองลูกคนรักพ่อแม่สิ่งที่มาให้สิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะเช่นความโกรธนะความเศร้า ว เ, เวลาเศร้านะไม่อยากไปไหนนะเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่ไปนะจะนั่งเจ้าจุกมีเพื่อนตามาคนนะึ่งเธอเป็นผู้หญิงก็ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขียนจดหมายมามาบอกเธอว่าไม่ได้มีใจให้เธอก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบแฟนเธอก็เสียใจนั่งซึมนะ อยู่ที่บ้านก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนมาหาทั้งชายทั้งหญิงมาถึงก็กดกริ่งที่หน้าบ้านแล้วก็เรียบจะพาไปเที่ยวจะชวนไปเที่ยวกันพราะเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะเธอฉุนเลยนะนึกในใจนะว่าเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกนะ คืออยากจะเศร้าอยากจะจมอยู่ความเศร้าไม่อยากใครมาขัดขวางเพื่อนี่มันอยขัดขวางทั้งที่เพื่อนี่อยากจะชวนให้ออกจากความเศร้าไปเที่ยวเพื่อนไม่รู้ด้ว่าสัวเองเศร้าแต่ว่าเพื่อนอยากชวนไปเที่ยวเห็นไหมฮะคนเราเนี่ยไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราแล้วก็ยึดแปลกนะอันนี้จะเราตีเรียกว่า ร, ากราักตัวเองหรือเปล่านะบางทีคนเราชอบทำลายตัวเองนะพระเจ้าจัดว่า ผู้มีผู้คนพ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองประหนึ่งเป็นศั ต, ตรูคนพ่านปัญญาสมเนี่ยย่อมทํากับตัวเองประหนึ่งเป็นศั ต, ตรูคนเราเนี่ยบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่เวลาทํากับตัวเองนะทำเหมือนกับศั ต, ตรูเลยนะคือทำพยายามยัดเยียดความทุกข์ให้ในความโกรธเนี่ยมันเผาใจก็ยังสนอมรักษาเอาไว้ความเศร้าเนี่ยมันบีบขั้นใจก็ยังถนอมรักษาเอาไว้ อย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมเวลาเราเศร้านะเราอยากฟังเพลงอะไรฮะเพลงป๊อปหรือว่าเพลงสนุกรึเปล่าคืนความสุขให้ประชาชนอยากฟังไหมยอยากฟังเพลงเศร้าใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมในเมื่อเราเศร้าเนี่ยเราน่าจะพยายามดึงเจือจากความเศร้าสะระมันออกไปจากใจแต่ทําไมอยากจะถลําจมอยู่ในความเศร้ามากขึ้นอันนี้เรื่อความยึดติดไหมอันนี้เรียกว่าเป็นการทําร้ายตัวเองไหมความอิจฉา นะความพยาบาทนะความทอดแท้เนี่ยเราถนอมเราหวงกันเหลือเกินปล่อยบางทีไปซืบ้าง น, น, นี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างของความสุขที่เกิดจากการสลับนะและถ้าเราสลักความพหกตัวเข้าไปด้วยเนี่ยนะใจก็ยิ่งมีความสุขนะความทุกข์เนี่ยจะเบาบาง คนเรานะี่ยถ้านึกถึงตัวเองมากเท่าไหร่นะมันจะมันจะทุกข์ง่ายมากเลยแต่คนเราถ้ารู้สักนึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์ของเราจะเล็กลงและเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นอาตอมานึกถึงน้องโยนะน้องโยเนี่ยเป็นเด็กเจ็ดขวบผู้ชายวันหนึ่งเนี่ย วันหนึ่งป้าชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมปมบอกว่ารถเนี่ยพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงรถมอเตอร์ไซค์พังยัดเดินป้านี่แขนหักส่วนน้องโยนี่ขาเละไปข้างหนึ่งก็รีพาส่งโรงพยาบาลเลยนะขึ้นรถรถเพยบาบาลเนี่ยไปที่โรงพยาบาลทันทีตลอดทางเนี่ยป้าจะร้องโอดโอย แต่น้องโยนนี่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จหมอถามทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบดีมากน้องโยบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับคือน้องโยนเนี่ยได้ยินป้าร้องเนี่ยน้องโยก็สงสารป้าป้าเนี่ยนะปวดทั้งกายปวดทั้งใจนะปวดกายก็เพราะว่าแขนหกักปวดใจเพราะว่าพาน้องโยนมาเจอแบบนี้ น้องโยก็รู้เลยนะว่าเด็กจิตควนรู้เลยว่าถ้าตัวเองร้องเนี่ยมันจะป้านี่ก็จะเมือกจ็จะแตกหัวใจจะแตกสลายน้องโยยิ้พยายามสะกดกั้นเอาไว้ไม่ร้องขาเล่ยมนปวดมากนะแต่สำหรับน้องโยนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อนึกถึงความทุกข์ของของป้าแล้วคนเราเนี่ยเวลาเราเวลาเรานึกถึงคนอื่นนะความทุกข์ของเราเนี่มันจะเล็กลง แต่ถ้าเรานึกถึงคนตัวเองมากขึ้นนะหรือนึกถึงแต่ตัวเองเดียวเนี่ยเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไว้ลูกหลายคนนะแค่เป็นสิวนะผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยก็โอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะแค่เป็นสิวนะนอนไม่หลับเครียดหลายคนคิดฆ่าตัวตายนะแต่น้องโยนี่นะขาเล็กไปข้างหนึ่งเนี่ยนะแต่แกกับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเพราะแกนึกถึงความทุกข์ของป้า อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอย่างการที่เรารู้จักสละความมีแกตัว ล, ลงไปนะนึกถึงคนอื่นได้มากขึ้นนะและความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ความสุขใจยังเกิดขึ้นจากการที่เราสละู้จักสละอีกอย่างหนึ่งนะก็คือการสละความคิดฟุ้งซ่าน เวลาใจคุณเนี่ยนะนะไม่ฟุ้งซ่าเนี่ยนะหรือว่าพอรู้พอฟุ้งซ่านแล้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนี่นะจะพบกับความโป่ง่งโล่งเบาสบายหลายคนปรารถนาความสงบหลายคนพยายามไปถึงไปป่าไปเขาใหญ่นะไปวันอุทยานนา น, นาชนไปแก่งกระจานเพราะว่า ปรารถนาความสงบแต่แล้วคนไปถึงแล้วก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าข้างนอกมาสงบ ก, ก็จริงแต่ใจมันไม่สงบไง่จมันฟุ้งซ่านเหมือนกับมีลิงลบบุรีอยู่ทั้งฝูงเลยในในใ น, ในใจแต่ถ้าคุณรู้วิธีที่จะทำให้ใจเนี่ยนะมันรู้วิธีที่จะวางความคิดหล่งนี้ลงเยนะ ความสงบก็จะเกิดขึ้นกับคุณความสุขก็จะตามมาทั้งๆ ท, งที่อยู่ในบ้านอยู่กลางกรุงแลนะนะความสงบที่เกิดจากการละวางความคิดเนี่ยนะคุณทำได้เดี๋ยวนี้เลยถ้าหากว่าพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ สังเกตดูนะเวลาคนเราเวลาทุกเนี่ยเราทุกเรื่องอะไรเราทุกกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอดีตที่เจ็บปวดความสูญเสียความพัดพลาดความล้มเหลวหรือว่าการถูกกระทําถูกโกงถูกทรยศนะคาต่อว่าด่าทอมันลอดแตกเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าเราไม่ปล่อยเราไม่วาเรายังยึดเอาไว้หรือมิฉะนั้นก็ไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเศรษฐกิจนะที่ ทำท่าว่าจะาย่ําแย่ต่อเนื่องหรือว่าสุดลงมันจะไม่มันจะ ไ, ไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่ากังวลไปล่วงหน้าแล้วเกิดจีนมีปัญหาทางนะจะทํำยังไงหรือว่าเกิดยูโรเขาสุดยิ่งกมือ น, นี้จะทําอย่างไรกังวลแล้วบางที่กังวลเรื่องลูกนะลูกจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนดนะีตอนนี้ลูกอยู่ม .6 แล้วเนี่ยปีหน้าต้องเข้ามหาวิทยาลัย รุ่มใจนอนไม่หลับทั้งที่อีกต้องเกือบปีนะเราทุกข์กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความทุกอย่างนี้เราเรียกว่ากังวลวิตกกังวลหรือกลัวเป็นเพราะความคิดทั้งนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราลองวางความคิดยึดติดในอดีตวางเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงลง อยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่เราทำอยู่กับลมหายใจที่เข้าและออกนะสวรรค์มันก็จะเกิดขึ้นในใจนะมันไม่สนุกมันไม่สุขแบบสนุกนะแต่ว่ามันมีมันให้ความสงบเย็นกว่าสนุกแต่ร้อนสู้สงบแต่เย็นไม่ได้ นี่ก็เป็นการวางแบบหนึ่งนะแล้วก็จำเป็นที่เราต้องรู้จักการวางการสละแบบนี้สละอารมณ์สละความคิดไม่ยึดติดนะไม่ใช่เพาะอาดีตหรืออานาคตแม้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันถ้าเรารู้จักวางมันบ้างเช่นสมมติมีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี่ยบางทีเสียงก็เบาริงทวนก็เพราะนะ แต่และคนเนี่ยว้าวุ่นขุนเคืองอันนี้เราไม่สงบแล้วเพราะอะไรฮะพราใจไปยึดติดอยู่ที่เสียงไปจดจ่อที่เสียงนะแล้วก็คิดขึ้นมาว่าทำไมเจ้าของโทรศัพท์เขาไม่ปิดโทรศัพท์ทำไมเสียงมาดังตรงนี้ควาว่าไม่น่าจะดังไม่น่าน่าจะปิดโทรศัพท์เนี่ยมันก็ทำให้ใจนีเป็นทุกข์ ตอนนั้นไม่มีสตินะเพราะว่าจิตไม่ได้มาอยู่กับคำบรรยายของมธตมาอันนี้ก็เรียกว่าไปยึดติดกับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันก็ทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเริ่มรู้สึกเมื่อยบางคนอาจจะปวดปวดปัสสวะนะเกิดทุกขเวทนาขึ้น ถ้าใจไปจดจ่อตรงนั้นเนี่ยนะก็จะยิ่งทุกข์มันจะเกิดความยึดติดความปวดก็เป็นอันหนึ่งนะมันมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเลยมันให้ความทุกข์กับเราแต่เรากลับไปยึดติดกับปวดตรงไหนยิ่งไปใจยิ่งไปจดจ่อยตรงนั้นนะความปวดเป็นอารมณ์ปัจจุบันซึ่งก็ไม่ควรที่จะยึดติดนะพระนันทิยายเนี่ยเคย เคยตอบคาถามพระองคุลีมาพระองคุลีมาเนี่ยเราคงรู้จักนะว่าประวัติเป็นอย่างไรท่านเพิ่งบวชใหม่เราก็มารู้จักกับพระนันทิยะก็เลยถามว่าผู้พระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระพัเจ้าสอนอะไรท่านบ้างพระนันทิยะก็ตอบว่าพระผู้มีพระพัเจ้าสอนว่าให้ปล่อยให้วางข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลาง ไม่ยึดติดอารมณ์ใดที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจหรือไม่น่าพอใจเมื่อเกิดขึ้นก็ให้วางไว้เป็นกองกองเขาด่าว่าเราบนบกก็วางไว้ตรงนั้นอย่าเอาลงน้ำเขาด่าว่าเราในน้าก็ให้วางตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบนเขาด่าว่าเราในเมืองก็วางไว้ในเมืองอย่าเอาไปเฉยตะวันด้วย เป็นคำสอนเป็นคำกล่าวที่เข้าใจได้ง่ายมากคือมันไม่มีสับแสงบาลีอะไรเลยนะแล้วก็มันเป็นวิธีการที่ช่วยทำให้เราเนี่ยพบกับความสุขที่ใจได้ไม่ยากคือการวางนะไม่ไปจดจ่อ ย, ยึด ต, ติดแต่จะทำกันได้ต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ย ใจมันก็จะหวนหลายไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างแล้วไม่ใช่ไหลเปล่าเปล่าไม่ใช่ลอยเปล่ า, ม, ล า, ลามันก็ไปจมอยในอารมณ์พอพอนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดก็เศร้าโกรธพอนึกถึงเรื่องราวในอนาคตที่ยังไม่ถึงก็วิตกกังวลจมอยู่ในอารมณ์นั้นมีสติช่วยดึงจิตออกมาะการทําสมาธิภาวนาการเจริญสติการการทําสมาธิเนี่ยมันช่วย ให้เกิดการปล่อยวางแล้วความสงบความสุขมันมาเองแต่ถ้าทาทีแรกเนี่ยตั้งใจจะให้สงบให้สุขน่ะนะอันนี้กลับจะทุกข์เพราะว่าทำด้วยความอยากที่จะได้อยากที่จะเอาหลายคนเนี่ยพอตั้งท่าพอเริ่มทำสมาธิก็ความอยากก็เต็มหัวใจเลย อยากสงบอยากให้มีความสุขนะจิต ท, ที่มันอยากได้อยากเอาเนี่นะมันทําให้ทุกตั้งแต่แรกแล้วคนที่มีจิตแบบนี้เนี่ยนะหรือวางใจแบบเนี้ยก็จะเครียดก็จะทําสมาธิอย่างไม่มีความสุขเคยมีรู้สึกถามหลวงปู่ดูให้หลวงปู่ดูหลวงปู่เฟื่องจังหวัดระยอง หลวงพ่อเฟื่องเนะีพอผมทำวิปั ส, สนาทำสมาธิมาต้องหลายมาต้องนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นได้อะไรเลยนะหลวงพ่อตรัสว่าเราทำสมาธินะก็เพื่อวางนะไม่ใช่เพื่อเอานะทำเพื่อละไม่ใช่เพื่อเพื่อไดนะ้แต่หลายคนเนี่ยนะพอไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดี การรักษาศีลก็ดีหรือภาวนาก็ดีเนี่ยพอทำก็คิดจะจะเอาละให้ทานก็อยากรวยอยากามั่งมีทำบุญก็อยากถูกหวยรวยเบอร์นะทำสมารักษาศีลก็อยากได้โชคได้ลาบอยากให้คนยกย่องนับถือภาวนาก็อยากได้ความสงบนะคือเริ่มก็ผิดแล้วละ่นะหรือว่าผิดตั้งแต่คิดแล้วต้องรู้จักวางครับ วางแล้วเดี๋ยวความสุขมันมาเองถ้าเราทําห้องของเราให้ว่างความสุขก็อยากจะมานั่งในห้องนั้นห้องนั้นคือใจของเราทําใจของเราให้ว่างแล้วความสุขจะมาเองแต่ถ้าใจงเรารกนะรกด้วยความคิดเราเกียระกะด้วยความอยากความสุขก็ไม่อยากเข้ามานั่งในหัวใจเรา ตอนนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการทำใจให้ว่างโดยสายสติโดยสายสมาธิภาวนาที่จริงมันยังมีตัวช่วยตัวอื่นด้วยที่ทำให้ใจเราว่างหรือว่าช่วยทำให้ความทุกข์ไม่มาครอบงำใจมันช่วยทำให้เราวางใจได้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่น การมองแง่บวกนะการมองแง่บวกนี่ก็ช่วยได้ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นมองแง่บวกเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดกันเยอะแล้วก็ความหมายก็หลากหลายเหลือเกินบางนมองแง่บวกคือมองว่าอนาคตจะสดใส ช, ดช่วงชัวชาวานอันนั้นไม่ใช่ความหมายที่พระตถาคตมาพู ด, พดความหมายพระตถาคือว่าการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกเหตุการณ์เนี่ยมันมองได้สองมุมเสมอคือบวกหรือลบหลายคนเวลาเวลาตกงานเนี่ยทุกเลยแต่มีบางคนตกงานแล้วในใจเขาไม่ทุกนะเขากับสุขเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำตกงานก็ดีเหมือนกันนะจะได้มีเวลาไปดูแลพ่อแม่ เพราะว่าทำงานอานี้ไ ม, ม่เวลาดูแลเลยพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดนะตกงานก็ดีเหมือนกันนะได้ไปดูแลท่านเพราะท่านก็แก่แล้วเพื่อตามาคนหนึ่งเนี่ยเป็นครูอนุบาลแล้วเธอมีความสุขกับการการอยู่กับเด็กๆมากเลยแต่บ่อยครั้งเธอรู้สึกรู้สึกโกรธนะรำคาญหงุดหงิดเวลาพ่อแม่เนี่ยนะหรือว่า ปู่ย่าตายายของเด็กเนี่ยมีความคิดว่าเนี่ยฉันให้เงินเธอแล้วนะฉันให้เงินจ้างเธอมานะเลี้ยงดูลูกฉันหลานฉันนั้นฉันจะว่าไงเธอก็ไดนะ้ฉันจะสั่งเธอไงก็ได้นะเธอจะรู้สึกขุนเคืองมากแต่ตัวหลังเธอมองในมุมใหม่นะคือเธอขอบคุณผู้ปกครองเหล่านี้นะ ที่ไว้ใจให้เธอเนี่ยมาสัมผัสมาดูแลลูกหลานของเขานะพอาะเธอคิดแบบนี้นะเฮ้ยเธอมีความสุขเลยนะเธอมองว่าเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ได้จ้างเธอเธอจ้างตัวเองเรามองให้สองอย่างนะจะมองว่าเนี่ยผู้ปกครองเหล่านี้นี่เอางเงินฟาดหัวเราแล้วก็จะสั่งให้เราทำโน่นทำนี่ยังไงก็ได้ พอคิดไเนี่ยคุณจะรู้สึกโกรธจะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าคุณมองว่าเออเขาไว้ใจเรานะที่มาให้เราดูแลลูกหลานเขาได้มาสัมผัสได้ม า, า, าใช้เวลากับเด็กที่เขารักเขารู้สึก ข, ขอบคุณ ม, มันมามันมาเลยเวลาเจ็บป่วยนะ เจ็บป่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดโทำไมโชคดีทำไมโชค้ายอย่างนี้ทำไมซวยแบบนี้ทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยคุณจะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่ถ้าหากว่าตั้งสติให้ดีแล้วก็มองก็จะเพราะเออป่วยก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราได้มีเวลาพักบางคนบอกว่าป่วยเนี่ยทำให้เห็นเลยนะว่าเพื่อนๆ น, นี่รักเรามากแต่ก่อนไม่คิดเลยนะว่า เราจะเป็นที่รักของเพื่อนมากมายขนาดนี้แต่พอป่วยนีย่โอ้เพื่อนเพื่อนที่ไหนที่ไหนก็มาเยี่ยมมีเด็กอายุ12คนหนึ่งนะก็บอกว่าแกเป็นมะเร็งนะนักวแกก็บอกว่าเนี่ยช่วงที่เธอป่วยเนี่ยนะเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากเลยเพราะเป็นช่วงที่ใกล้ชิด ก, กับพ่อแม่มากนะรู้สึกอบอุ่นมาก พอพอเธอป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็ถึงกับลางงานทิ้งงานไาเลยมาอยู่กับเธอตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยพ่อแม่รูกก็ค่อนข้างจะห่างเหินนะตามภาษาคนกรุงเทพนะแต่พอป่วยนี่โอยได้กล้ชิด ก, กับพ่อแม่มากมีความสุขมากป่วยกายแต่สุขใจนะอันนี้เรียกว่าเธอมองแม่บวกสบสองขวบนะ อีกคนหนึ่งเนี่ยนะอายุ 20, 20 21มั้งผู้ชายเนี่ยเป็นลิวคิมเมียทีแรกก็ทุกข์นะแต่ตอนหลังก็บอกว่าก็ทำใจได้ก็สือว่ารู้สึกดีขึ้นจะบอกว่ามะเร็งเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตกเนี่ยหลายอย่างเช่นหนึ่งทำให้รู้จักพุทธศาสนาเพราะว่าพอป่วยแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่ก่อน เป็นคนที่ชอบเที่ยวพอป่วยแล้วนอนอย่างเดียวทาไม่มีอะไรทําเพื่อนให้หนังสือมาหนังสือธรรมะ ก, ก็อ่านอ่านแล้วเข้าใจเลยนะทำให้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นนะว่ามันมีคุณค่ายอย่างไรบ้างสองทำให้ได้ซาบซึ้งตับความรักของพ่อแม่ก็เหมือนกับเด็ก22่สบขวบคนที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยปกติไม่เคยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะพ่อแม่ลูกอยู่คนละที่เลยซ้เด็กไปอยู่ขอพัก แต่พอป่วยเนี่ยนะได้เห็นเรื่อของพ่อแม่นี่มาซาบึ้งในความรักพ่อแม่มากอันที่สามเนี่ยก็บอกว่าฤกษ์มะเร็งเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยได้รู้จักคิดมากขึ้นนะได้รู้จักใครควรนะคือพอป่วยเลยเนี่ยมันก็เขาก็มีเวลาที่จะไต่ตรองเรื่องชีวิตเขาบอกถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งนะ่ยเาคงเหมือนกันคนหนุ่มทั่วไปนอนหอบพักนะ อยู่หอพักนอนตีสามตื่นขึ้นมาบ่ายๆแล้วก็เรียนหนังสือนิดหน่อยรอเวลาจะไปเที่ยวไปกินเหล้ากับเพื่อนดูแบบไม่ค่อยรู้จักยังไม่ค่อยระมัดระวังไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจความคิดของคนอื่นมะเร็งมันเปลี่ยนไปเลยนะอันนี้จะเรียกว่าเขาหยอกมอนในแง่บวกก็ได้คนเราถ้ามองถ้ามองเป็นนะ ลบคือบวกเสียคือได้ปี P 54เนี่ยนะน้ำท่วมใหญ่นะก็มีหลายคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะสูญเสียทรัพย์สินหลายคนสิ้นเนื้อปดาตัวบางคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะเสียจริตด้วยแล้วก็บางคนเสียชีวิตเพราะว่าค่าตัวตาย แต่ก็มีบางคนที่เขาทําใจได้เขาก็ไม่ทุกข์มากมีคนมาบอกว่าเนี่ยน้ําท่วมมันก็มาสอนให้เขาได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็ไปบางทีไฟถ้าไม่ใช่ไฟถ้าไม่ใช่น้ําท่วมก็ไฟเผาอันนี้ตระมาคิดว่าเขาได้นะคนที่คนที่พูดแบบนี้แซ่บคนได้เขาเสียทรัพย์แต่เขาได้ปัญญาเขาได้ธรรมะ และธรรมะที่ก็ได้เนี่ยมันทำให้เขามีภูมิุมกันต่อความสูญเสียพัดพรากในอนาคตต่อไปสูญเสียอีกใจไม่ทุกข์แล้วเสียของเนี่ยหาซื้อใหม่ได้แต่ว่าธรรมะหรือปัญญาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้อันนี้เรีว่าเขาเสียของแต่เขาได้ได้ธรรมะได้ปัญญา แล้วปัญญาที่ได้ก็เกิดจากการมองแง่บวกคือการมองให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันมีดีอะไรบ้างแต่ถ้ามองไม่เป็นนะได้คือเสียมีเพื่อตมาคนหนึ่งแกเป็นนักเล่นหุ้นก็เล่นหุ้นเป็นเป็นอาชีพจนกระทั่งเลิกเลิเล่นหุ้นมา เ, มเร็วๆนี้เพราะว่าแกบอกว่าเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ย มันได้เงินก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ความสุขต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก่อนแกเลือกเงินตอนนี้ได้เงินมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่จะเอาความสุขแล้วแกก็เลือกก็เลือกเล่นเล่นน้อยเล่นน้อยมากแต่ตอนที่แกเล่นนี่แกเล่าว่าเคยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งคุณป้าก็มีอาชีพเล่นหุ้นเหมือนกันคุยไปคุยมาคุณป้าก็บอกว่าเมื่อสองสมวันก่อนขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กำไรสิบล้าน เพื่อตอมาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกตอบว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายวันนี้เนี่ยฉันได้กําไรยี่สิบล้านได้สิบล้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่กี่ใบนะไม่มีความสุขนะเห็นไมฮะเพราะอะไรฮะเพราะแกคิดว่าแกน่าจะได้มากกว่านี้สำหรับคุณป้าวันนี้เนี่ยแกไม่เชื่อแกได้สิบล้านนะแกคิดว่าแกเสียสิบล้านใช่ไหมฮะ ได้สิล้านแต่คิดว่าเสียสิบล้านก็เลยทุกเนี่ยวันรุ่งขึ้นแกนก็ไม่มาตลาดทุนแกมาทุกวันแล้วทําไมวันนี้หายไปเพื่อนนากรก็ไปถามมาร์เก็ตติง้งคุณป้าหายไปไหนก็ได้คําตอบว่าแกเข้าโรงพยาบาลเข้าเพราะอะไรฮะเครียดนะเครียดเครียดที่ได้10ล้านเห็นไหมฮะถ้าคุณคิดจะจะได้นะคุณจะทุกง่ายมากการที่ได้ทรัพบเนี่ยไม่ได้ทำา ม, มีความสุขนะถ้าใจวางไม่เป็นก็ทุก และวางไม่เป็นก็คืออะไรก็คือมองว่าตัวเองเสียคนฉลาดเนี่ยเสียคือได้นะป่วยก็ทำให้ได้เห็นธรรมะขอบคุณมะเร็งมีหลายคนพูดขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งได้นี่คือได้นี่คื อ, อเสยเียคือได้แต่ถ้าคุณมอเป็นได้เนี่ยคือเสีย มีเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่คุณป้าเด็กๆเป็นเรื่องคุณลุงคุณลุงคนนึ่งเนี่ยแกแกไปเข้าคอสกรรมฐานมาแล้วแกก็เห็นว่าการทำสมาธิเนี่ยแหมมันวิเศษมากเลยทุกวันเลิกงานเนี่ยแกก็จะ น, น, น, น, น, นั่งสมาธิบอกว่าวันวันวันศุกร์เย็นนะแกนั่งสมาธิได้ไม่ทนหลยเพราะ ว, ว่ามีเสียงเจ้าเจ้ า, จากันหน้าบ้าน หน้าบ้านเป็นถนนนะเด็กมาเล่นเล่นบอลเด็กส่งเสียงเจ้าจ้าวแกรำคาญมากเลยนะนั่งสมาธิไม่ได้หาทางเนี่ยอยากจะให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นแต่คุณลุงก็รู้ว่าถ้าไปบอกให้เด็กเลิกเล่นเนี่ยหรือไปไล่เด็กเนี่ยเด็กก็จะยิ่งกวนแกมากขึ้นก็รู้ว่าการไล่ไม่ได้ผลก็เลยเอาอุบายไปหาเด็กแล้วก็บอกเนี่ยโอ้พวกเธอมาเล่นบอล น, นี่ มันทำให้ลุงเนี่ยนึกถึงวัยเด็กนะสมัยที่มันทำให้รู้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะจะให้รางวัลหนูนะให้ไปร้อยหนึ่งนะเอาไปแบ่งกันนะเด็กก็ดีใจนะอาทิตย์ต่อมาเด็กก็มาอีกนะส่งเสียงเจ้าเจ้าเหมือนเดิมคุณลุงก็ไปห า, าเด็กแล้วก็บอกเนี่ย อยากจะให้ราวันหมูแต่ว่าตอนนี้เงินไม่ค่อยมีนะเอาไปห้าสิบก็แล้วกันเด็กก็ยังโอเคนะที่ต่อมาเด็กมาเล่นนี่ลุง ก, ก็บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยนะขายไม่ค่อยได้เอาไปสิบบาทก็แล้วกันเด็กไม่พอใจนะหลายคนรู้สึกว่าผมไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยสองที่ก่อนได้ร้อยหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วได้ห้าสิบวันนี้ได้แค่สิบบาทเด็กไม่มาเลย เลิกเล่นสมปรารถนาคุณ ล, ลุงเด็กคิดว่าตัวเองเสียฮะเด็กได้10บาทคิด่าตัวเองเสียเท่าไหร่เก้าสิบใช่ไหมแต่เด็กลืมคิดว่าที่จริงตัวเองได้นะพ่อจั ก, กรเนี่ยเล่นไม่ได้เงินใช่ไหมมีความสุขตอนที่ไม่ได้เงินเด็กมีความสุขนะแต่พอได้สิบาทเนี่ยแทนที่เด็กก็จะคิดว่าตัวเองได้10บาทเนี่ยกับคิดว่าตัวเองเสียเก้าสิบก็ไม่เล่นเลใช่ไหมเหนื่อย ทีไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะได้คือเสียนะนี่คุณมองไม่เป็นคุณเสียเลยนะได้ตอนที่ปีใหม่เนี่ยโอได้ได้บอ น, นับแสนหนึ่งดีใจนะใช่ไหมฮะแต่พอลบขึ้นได้สแสนห้าเนี่ยเป็นไงเสียใจเลยพเพราะเครียตัวเองเนี่ยเสียไปห้าห้าหมืน ใช่คือคนเรานี่พอเปรียบเทียบเนี่ยพอเปรียบเทียบไม่เป็นนะทุกเลยนะทุกเลยก็คือว่าตัวเองเสียมีคนในหมู่บ้านตะมานเนี่ยแทงหวยสามตัวสิบห้าบาทได้ได้หกร้อยดีใจนะแต่พอรู้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ย เขาแทงตัวเดียวกันเลยนะแต่เขาแทงมากกว่าห้าสิบบาทก็ได้สองพันเขารวือกเพื่อนได้สองพันที่ที่ยิ้มหน้าผูกเลยก่อนหน้านี้บอกว่าฉันโชคดีแทงหวยนะได้ห้าร้อยแต่พอเห็นเพื่อนเขาได้สองพันเนี่ยแกสุภเกศเสีย อ, อันนี้เรว่าไม่ได้จักฉลาดในการมองการที่มอตัวเองโชคดีกับมองว่าตัวเองเนี่ยนะโชคร้าย หรือว่าไม่น่าเลยนะงั้นคนเราเนี่ยนะสุขหรือทุกมอยู่ที่ใจจริงๆนะมันไม่ั่วคุณได้อะไรนะถ้าคุณมองเป็นเนี่ยนะคุณก็จะรู้สึกมีความสุขอาตมาเนี่ยพาคนไป เป็นจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยนะแล้วจะเจอผู้ป่วยที่เขาหลายคนที่น่าสนใจมากอย่างครั้งที่จิตอาสาไปเจอเด็ก2าย1สผมร่วมไปเลยนะแกเป็นมะเร็งสมองแต่เด็กโอภาปาศดีมากนะไม่ได้มีอาการซึมเศร้าหดหู่แถมชวนจิตอาสาวาดรูปจิตอาญายุปรห้าส เธมีอารมณ์วารูปจิตนาสาวก็สงสัยทำไมมีอารมว่ารูปนะนี่มะเร็งสมองคุยไปขึ้นมาเด็กบอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีคนนึงเป็นมะเร็งมดลูก ป, ปวดมากเลยมีญาติคนนึงเป็นมะเร็งมดลูก ป, ปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะการที่อีกคนหนึ่งเป็นเป็นแค่มีสือไม่กินเม่เนี่ยโอ้โหยจะเป็นจะตายให้ได้เห็นะต่างกันไหม สิวกับมะเร็งนี่มันคนละเรื่องเลยนะแต่คนทีงเป็นมะเร็งสมองเนี่ยเขาจิตใจเป็นปกติอยู่ที่ใจฮะไม่ได้ที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเดี๋ยวคนนี้แกมอญยังแง่บวกแม้จะแม้แม้เป็นทุกข์ก็ยังสามารถจะหาสุขพบนี่พุนเจ้าตรัสไว้ผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะนี่คือความหมายหนึ่งแม้แต่เป็นมะเร็งเนี่ย ก็ยังเสือตัวเองโชคดีเลยมีครไปเยี่ยมที่เมืองการลรงพยาบาลเนี่ยก็ไปเจอคุณแม่ยังสาวคนหนึ่งนักยิประมาณทักสามสิบได้ดูแลแม่ของตัวที่กลังจะตายแล้วเธอดูแลดีมากบอกว่าเธอเนี่นะไม่ถึง คุณแม่อย่างสาวเนี่ยแกเพิ่งเสียลูกไปแกแทงลูกลูกเจเดือนนะแทงคุณนึกดูนะคนที่แม่กำลังจะตายแล้วเพิ่งเสียลูกไปเนี้ยคงสุดแยกแค่ไหนหัวชีที่มันทำไมมันข้อรรซ้ำคำซัดขนาดนี้เสียลูกไปแล้วที่กำลังจะเสียแม่แต่เธอไม่ได้มีทีท่าหน้าตาหูหูเส้ามองเลยนะเธอกลับมองแบบนี้ว่านเนี่ยลูกเนี่ยลูกในท้องเนี่ยคงจะเห็นใจแม่นะ คือตัวเธอคงจะเห็นใจว่าเนี่ยถ้าเธอต้องถ้าแม่ต้องมาดูแลลูกแล้วก็ต้องมาดูแลแม่ที่กำลังจะป่วยเนี่ยดูแลยายที่กำลังจะป่วยเนี่ยคงไม่ไหวแน่แลูกเนี่ยเห็นใจแม่ลูกก็เลยเป็นฝ่ายไปเพื่อให้เธอเนี่ยได้มีเวลาดูแลแม่ได้อย่างเต็มที่นะเธอกับมองแบบนี้นะแทนที่จะมองว่าโหเรานี่โชคร้ายเนี่ยเธอกลับมองว่าเนี่ยลูกเขาเห็นใจเรา เขายินยอมไปเพื่อจะให้เราได้มาดูแลแม่ของเราเต็มที่คือคุณทังไม่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ใดในสาการใดเนี่ยนะแต่ถ้าคุณมองให้เป็นเนี่ยนะหรือวางใจให้ถูกเนี่ยก็สามารถที่จะมีความสุขได้สามารสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้มันอยู่ที่มุมมองมากเลย ตบมาเพื่อเยี่ยมคนป่วยนะเมื่อสองสมันก่อนนะที่สุพรรณผู้ป่วยมะเร็งแต่หลายหลายคนนี่เขาก็ไม่ได้มีหน้าตาเศร้าโศกหรือว่าหดหู่เลยนะคุณลุงคนนึงก็บอกเนี่ยมันธรรมดานะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายก่อนตายก็ต้องเจ็บป่วยนะที่คนหนึ่ง ท, ที่ตายวายเขาก็บอกว่า แต่ยวามาสิบล้างตายมาสิบสี่ปีแล้วนะอีกคนหนึ่งสิบเจ็ดปีโอ้โหล้างตายแบบมาเลอ t h มากก็ร่างกายก็ผายผอมนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้ทุกข์อะไรก็ถามเขาว่าเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมันใท่อะไรเราบ้างความเจ็บป่วยเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้าง แต่ารยก็พูดเนี่ยอาจารย์พระท่าบอกว่าความเจ็บป่วยมาสอนให้เราฉลาดความเจ็บป่วยทุกครั้งเกิดขึ้นเนี่ยมาสอนให้เราฉลาดก็ถามคนคุณป้าสองคนว่าความเจ็บป่วยมาสอนอะไรเราบ้างหรือเปล่าแล ก, ก็ตอบมันก็สอนให้เราเห็นนะว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงอย่าใช้คำรูปนามนะสังขารนั้นมันไม่แน่นอน มันเป็นอันนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้นี่แกเข้าใจธรรมะได้ดีมากอาตมาก็แนะนำหลายคนนะที่เขาทุกเนี่ยบอกว่าก็เพราะคุณไม่ดีลำไส้คุณไม่ดีก็จริงนะแต่ว่าในตัวคุณนี่มีสิ่งดีๆมากเลยนะ ตาคุณก็ยังมองเห็นหอคุณก็ยังได้ยินปากคุณกินอะไรก็ยังอร่อยคุณยังมีมือมีเท้าเดินเหนินไปไหนมาไหนได้ถ้าร่างกายมีร้อยส่วนเนี่ยมีแค่หนึ่งสองส่วนที่มันไม่ดีแต่ว่าอีกเก้าสิบแปดส่วนที่มันดีอย่าไปจดจ่อกับไอ้สองส่วนที่ไม่ดีใส่ใจกับอีกเก้าสิบแปดส่วนที่มันดี แล้วต่อมาก็เล่านะถึงผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นทาักซีเมียตั้งแต่เกิดอย่างแรงนะทาักซีเมียเนี่ยมันเป็นโรคเลือดมาจากพ่อและแม่ถ้ามีถ้าเป็นพาหะทั้งคู่เนี่ยลูกนี้เป็นก็ไปเต็มๆ เ, เลยหมอบอกว่าเธอจะอยได้ไม่ถึงยี่สิบนะแต่เธอก็อยู่ได้จนถึงสามสิ ก, กว่าแต่ว่าก็ร่างกายก็ย่ำแย่นะตาโนตัวแคระนะผ่าพร้อมต้องรับเลยเป็นประจำ กระดูนี่นะเปราะหกล้มทีไรก็ถ้าไม่ขาหักก็แขนหกักใส่เฟื่อมาแล้วสิบ้าครั้งป่านี้คงย0สบแล้วมั้งแต่มีความสุขนะฮะเธอมีความสุขได้อย่างไรนะเธอเธอบอกว่าเนี่ยถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามนะฉันยังมีจ ม, มูกดมกลิ่นหอมฉันยังมีหูฟังเสียงเพลงกินอะไรก็อร่อย ร่างกายก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหยได้แค่นี้ก็มีความสุขแนละ้วคือแ ท, น ท, ทนที่เธอจะจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่แย่เธอมาใส่ใจกับสิ่งที่มันยังดีอยู่นี่คือความหมายของการมองแง่บวกไม่ได้จดจ่อสิ่งที่ลบแต่มองใส่ใจชื่นชมกับสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่นะแล้วถ้าคุณมองแบบนี้นะสูญเสียยังไงเจ็บป่วยยังไงเนี่ยคุณก็ยังยิ้มได้ เวลาเงินหายเนี่ยถ้าจดจ่อแต่เงินที่หายก็จะทุกข์แต่ลองมาใส่ใจกับเงินที่มีอยู่เสียคุณจะพบว่าโอ้โหไอ้ที่หายไปนี่มันจิ๊บจอยมากเมื่อปีห้าสามนะห้าปีที่แล้วเนี่ยมีจราจนในกรุงเทพใช่ไหมฮะก็มีการเผาศูนย์การค้าไปหลายแห่งแถวสยามแถวรับประสงค์ ก็มีสุกี้เครือข่ายสุกี้ชื่อดังเนี่ยโดนเผาไปโดนลูกหลงไปสี่สาขาเสียหายไปหลายสิบล้านไม่รู้อินโหรอินเนเลยนะผู้จัด ก, การเนี่ยก็มารายงานให้ซีอโอฟังว่าเนี่ยถูกเผาไปสี่สาขาเนี่ยเสียหายไปหลายเลยหน้าตาของผู้จัด ก, การนี่ก็เศร้า แต่ซี o โอเนี่ยซึ่งครอบครัวของซ e o ีเนี่ยก็เป็นเจ้าของนะสุกี้เนี่ย้พูดดีนะบอกว่าร้านเราถูกเผาไปสี่สาขาแต่เราไม่ต้องสามรอยี่สิบใช่ั้ยก็คือยังเหลืออีกสามล้วสิบหกจะเสียใจไปทำไมใช่ไหมฮะนี่เป็นการมองแง่บวกนะคือแทนที่จะมองว่าโอเราเสียไปต้องสี่สาขากับมองโอ้เรายังไม่ต้องสามสิบหกสาขา แล้วทามองแบบนี้เนี่ยก็จะนะก็ยิ้มได้ก็ทำให้เนี่ยเั้นความสุขที่ใจเนี่ยนะมันหาได้ไม่ยากแล้วมันเป็นไปได้นะอยู่ที่ว่าเราวางใจให้ถูกดูแลจิตใจของเราให้เป็นนะเราก็ใช้เราพอสมควรแล้นะก็ขอที่จิตเพียงเท่า น, นี้ถ้ามีเวลาก็ก็มีก็สอบถามได้นะ ท่านมีเรื่องการท่านใดอยากจะไถาอยสอบถาม จ, จะประกับเระเนถามท่านราน จ, จาร์า น, จจะนะครับมียกึ่งเลยครับให้ยให้น้องลูไปค้น เราแป๊ คืออาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าช่วงใกล้ตายเนี่ยเป็นนาทีทองเป็นนาทีทองชีวิตพูดอย่างสมัยใหม่คือมันเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสนะนคือโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมีคนเราเนี่ยถ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมได้เสมอและโอกาสบรรลุธรรมนะอันหนึ่งก็คือตอนใกล้ตายหรือเพราะเวลาที่เจ็บป่วยหนักเพราะว่า ตอนที่ใกล้าตายเนี่ยทุกขเวทนามันจะมากสังขารเนี่ยมันจะแ ส, แสดงให้เห็นเลยนะว่าไตรัง เ, เป็นอย่างไรในยามที่เราปกติธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นไตลักงเท่าไหร่อันนี้จังทุกขังอ น, าานอัตตาโดยเพราะตัวทุกข์เพราะเวลาเราสบายสบายเนี่ยเวลาเราเมื่อยเราก็ขยับโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมก็เรียกว่าอิริยาบถบังทุกขงังทุกขังในทุกอิริยาบถบังปวดเมื่อยเราก็ขยับเราก็จะเลยไม่ค่อยเห็นทุกข แต่เวลาป่วยเนี่ยนะทุกนี่มันจะแสดงตัวชัดเจนซึ่งผู้ใหญ่คือว่ามันจะประกาศมันจะตะโกนว่าสังขารเป็นทุกข์โวยนะมันจะตะโกนเสียงดังมากซึ่งจะไม่มีทางที่จะไม่ได้ยินถ้าเปิดใจในสนายพิจารเนี่ยมีพระอรหันต์จำนวนไม่ร้อยไม่น้อยในท่านบรรลุ ธ, ธรรมตอนใกล้ตาย และส่วนใหญ่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยที่บรรลุ ธ, ธรรมตอนใกล้ตายเนี่ยรู้แล้วแต่เจอทุกขเวทนาที่แรงกล้าไม่ใช่หลับตายไม่ใช่ป่วยโดยที่ไม่เจ็บส่วนใหญ่เจ็บเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยปวดทั้งนั้นพระเจ้าสุโธธนะก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนที่มีทุกขเวทนาแรงกล้าพัสสิสสะเทละซึ่งผู้เจ้านีิมาพยาบาลเพราะว่าท่านเนี่ยถูกทิ้งเนื่องจาก แผลพิพองเต็มตัวน้ำเหลืองส่งน้าเหลืองหลส่งกลิ่นแม็นนอนจมกองปัสสาวะอุจระพุทธเจ้าเสด็จมาก็มาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็เอาจีวรไปตากไปเอาไปซักไปต้มทำให้พู้ติดสารเริ่มสบายเนื้อสบายตัวแต่ว่าทุกขเวทนาก็กาเริบแรงกล้ามากขึ้นตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กล่าวเป็นคาถา ซึ่งภายหลังเราเรียกว่ามังสกุลเป็นเริ่มต้นได้ว่าอจีรังวัตยังกายโยก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงหนออีกไม่นานเมื่อวิญญาณละจากร่างถูกคนท่องทิ้งก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้พระติสัพพิจารณาตามในระหว่างนั้นก็เห็นเลยว่าสังขารเป็นทุกข์มาก มันไม่ใช่เป็นงานพิจารณาที่สมที่หัวนะมันเป็นงานพิจารณาด้วยใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกข์จริงๆแล้วท่านก็เลยเห็นแล้วนะสังขารเนี่ยยึดมั่นถือมันไม่ได้ตอนนั้นเองแหะที่ปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นท่านเห็นตายแล้วก็แจ่มแจ้งภานะพบางรูปเนี่ยโดนเสือกัดตายแต่ก่อนที่ท่านจะท่านจะรานับภาพเนี่ยท่านก็พิจารณานะซึ่งต้องอาศัยสติมากก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ จิตก็จำมแจ้งในพระไตรักปัญญาเกิดจิตก็หลุดพ้นอันนี้คือตัวอย่างว่าตอนจะตายเนี่ยมันคือหน้าตั่งแห่งโอกาสจริงๆคราวนี้เนี่ยคือสามารถจะหลุดพ้นได้นะแต่ว่าสอคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถจะพิจารณาได้ขนาดนั้นสิ่งที่ทำได้คือปล่อยวาง ที่อาจารย์พุทธบอกว่าเมื่อจะตายให้ตกกระดพาไ ป, ปจอยคือปล่อยวางให้หมดเวลาตกกระดเนี่ยจะไปห่วงหน้าพวงหลังตกกระดสมัยก่อนนี่มันเลือนไทยใช่มครัถ้าตกลงไปเนี่ยนะจะไปห่วงหน้าพวงหลังอะไรที่อยข้างหลังพ่อแม่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ต้องสนใจข้างหน้าจะเป็นอะไรก็จะไปอ้วงจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนจะไปเกิดอยากจะไปเกิดอะไร ก, ก็วางซะปล่อยวางให้หมดนะ ก็ทำให้ไปสุขติหรือว่าถ้าปล่อยวางจริงๆพอจิตเห็นตายลักก็จะไปแบบสว่างคือเข้าถึงพระนิพพานเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็คือไปสุขติหรือว่าพ้นจากวตาสงสารแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องฝึ ก, กต้องทำให้ตายก่อนตายก่อนอย่าไปรอไปรอไปรอตอนจะตายตายก่อนตายก่อนเพราะว่า ให้ตัวตนมันตายหรือปล่อยวางความที่มันในตัวตนในตัวกูหรือทำให้ตัวกูตายก่อนที่จะหมดลม ยึดมันก็จะทุกข์เพราะเหมือนกับแบกหินยึดอะไรก็ตา ม, มก็ทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ว่าสิ่งที่ยึดนั้นเนี่ยให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับเราใช่ไหมเช่นถ้ายึดในทรัพย์ก็จะมีความกังวลใช่ไหมกังวลในทรัพย์ถ้ายึดในถ้ายึดความโกรธก็จะรุ่มร้อนถ้ายึดความเศร้าก็รู้สึกจิตถูกบีบคั้นจิตมันจะไม่โปร่งไม่โล่งนะมันจะหนัก พู้ง่ายนะไม่ว่ายึดอะไรเนี่ยก็เหมือนกันไม่ไม่ต่างจากการแบกหินนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยภาราหาเวปัญจาคันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอนะการแบกถือของหนักการสลัดของหนักที่ลงเสียเป็นความสุขนั้นความรู้สึกที่จะสิ่งที่จะเตือนให้เรารู้ว่าเรากําลังแบกคือความที่รู้สึกหนักร้อนบีบคันหรือว่า อาจจะนึกถึงมันบ่อยๆการที่ควนึกถึงมันบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเรายึดมันดูง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเรามีสตินะถ้ามีสติดูใจบ่อยๆเนี่ยมันจะมันจะรู้มันจะไวว่าจิตกำลังหนักเพราะกำลังยึดนะถ้าเราไม่มันดูใจเนี่ยเราจะไม่สังเกตเลยว่าใจเราเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้คนเนี่ยบอกไม่ได้หลายคนจะบอกไม่ได้สามาตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนะรู้ว่ามันทุกข์แต่บอกไม่ได้ว่านี่กําลังเศร้ากำลังโศกกำลังท้อแท้กำลังหมดผิดหวังกําลังกาลังเบื่อไม่รู้นะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเป็นอารมณ์อะไรนี่เพราะว่าไม่ไม่ดูใจของตัวเลยหรือว่าแปลกแยกกับตัวเองมากและเป็นกับคนยุคนี้มากนะเพราะว่าจิตมันสมองนอก จิตไปอยู่กับความสนุกสนานทรัพย์สมบัติความบันเทิงไปอยู่กสิ่งนอกตัวมันก็เลยเกิดความเผืนทางกับตัวเองบอกไม่ได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออารมณ์อะไรอันนี้ก็แก้ไม่ยากคือต้องพยายามกลับมาดูอารมณ์ของตัวเองกลับมาเห็นนะกลับมารู้ทันออ ปล่อยวาง่าเียบอกว่าของอตยทีครอบครัวเดียวนีคนเรามีครอบครัวอยู่ในสังคมนี่นะครับเวลาปล่อยวางเนี่ยมันมันจะเปเวลาปล่อยวางนี่ยเขจะกลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเขาอยู่ในทางคมอยขครอบครัวนะมีงานมีการงานามรัก่านั้นะปล่อยวางและกลายเป็นคนไม่รับผอบอะไรเปล่าปล่อยวางมันเป็นเรื่องการทำจิตนะ ส่วนการทำหน้าที่หรือการทำกิจก็ยังต้องทำเวลาป่วยนะเวลาป่วยเนี่ยถ้าเราบ่นตีโพยตีพายรู้มากุ้มใจเนี่ยนะมันทำให้เราแย่ลงปล่อยวางเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยไม่ทุกไม่ทุกใจนะเราก็เห็นว่าเออร่างกายไม่ใช่ของเรา หรือว่ามันก็เป็นธรรมดาที่ต้องเจ็บต้องป่วยแต่ว่าป่วยแล้วก็ต้องรักษาเพื่อศาสนาเนี่ยันจะสอนอยู่สองอย่างนะทำกิจกับทำจิจนะคนไปเข้าใจว่าปล่อยวางเนี่ยก็คือการไม่ทำกิจไม่ใช่ปล่อยวางคือการทำจิตแต่หน้าที่ก็ยังต้องทำมีลูกก็ต้องรับ้องดูแล ด, ดูแลด้วยความไม่ยึติดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยาะมาเป็นงานศพพ่อเพื่อนเสร็จแล้วก็เพื่อนคนนึงก็มาหาก็มาคุยกันรู้จักเรียนกันม า, าตั้งแต่ปหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจที่ทำรับผิดชอบอกิจการใหญ่โตมากแกบอกว่าเคยมีความทุกข์ เรื่องลูกลูกชายเนี่ยลูกชายก็เข้ามาทลายแล้วแล้วก็แกก็เป็นคนที่ขยันนะมีวินัยแกก็พยายามที่จะจาจีจำชัยลูกเขี่ยวเข็นลูกด้วยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาคือว่าลูกก็แกเริ่มจะมีความตึงเครียดกับลูกแล้วลูกนี่ก็ยิ่งยิ่งพูดก็ยิ่งมันก็ยิ่งยุ่แล้ววันหนึ่งก็ไปฟังอ่ะได้ฟังอาตมาบรรยาย เรื่องการปล่อยวางความไม่ยึดมั่นถือมาเป็นเราเป็นของเราซึ่งรวมไปถึงว่าแม้แต่ลูกเนี่ยเราก็เลียกได้แต่ตัวแต่จิตใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้เขาก็มีชื่ิของเขาแม้กระทั่งลูกนี่ก็ไม่ใช่ของเราแกก็ได้คิดนะแล้วแกก็พยายามเตือนอยู่เสมอเออเนี่ยลูกไม่ใช่ของเรานะเราดูแลเขานะแต่ที่แรกเขาก็มีชีวิตของเขาปรากฏว่าไม่นานเนี่ย ลูกก็มาความสัมพันธ์แก่พอแกครีดแบบนี้นะบอกว่าแกเครียดน้อยลงนะและที่มันประหลายยิ่งกว่านั้นคือว่าความสัมพันธ์ของแกกับลูกดีขึ้นลูกมาวันนึงลูกก็มาถามพ่อเออทีนี้พ่อฟังพ่อฟังลูกมากขึ้นนะแต่ก่อนพ่อไม่ฟังเลยนะและ้วพอพอแก่รู้สึกว่าพ่อฟังแกนะแก่ก็ฟังพ่อมากขึ้นนะคือ ลูกไม่ใช่ของเราก็จริงนี่เป็นเรื่องการทําจิตแต่การดูแลการรับผิดชอบเรื่องต้องทําต่อไปคนมักจะสับสนนะระหว่างการปล่อยวางกับการไม่ทําอะไรเลยเพราะไปคิดว่าปล่อยวางคือไม่ทํากิจปล่อยวางเป็นเรื่องการทําใจมีเรื่องเล่า ว, ว่าสมัยที่หลวงปู่หลวงปู่ชายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเราก็หลวงวัาหลงวงปู่งก็ยังไม่ได้มีกุฏิที่ที่ ที่ดีงามอะไรมากนะตอนนั้นคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักพก็คอยน้นก็มีพายุพัดกุฏิหลายกุฏินะที่ที่มุงจากเนี่ยก็โดนพายุหลังคาก็โดนพัดไปแบ่งบางทีหายไปครึ่งนึงเลยนะก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านก็ลังคาท่านก็หายไปเป็นแถบเลยนะเวลาฝนตกมาทั้งก็คอยหลบฝนนะตกมาทางนี้ก็หลบก็หลบมาทางนี้ตกมาทางนี้ก็หลบมาทางนี้ คือรั่วนะเพราะมันรั่วบางทีก็หลบหลวงพ่อชายเห็นก็ถามว่าทําไมไม่ซ่อมหลังคาท่านก็บอกผมปล่อยวางครับกำลังฝึกปล่อยวางครับท่านก็บอกว่าปล่อยวางเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าวางเฉยแบบวูวแบบควายมันต้องมีปัญญาใช่ไหมฮะคือหลังคารั่วก็ไม่ทุกแต่ต้องซ่อมปล่อยวางทําให้ไม่ทุก ต้องต้องเข้าใจนะว่าปล่อยวางเนี่ยนะมันมันไม่ได้แปลไม่ทําอะไรเลยแต่มันทําโดยที่ไม่ได้ทําเพราะความยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นรเราวิของเราสมัยหนึ่งเนี่ยวัดตมานี่นะมีสมัยที่ยังไม่ได้ทำกำแพงล้อมรั้ววัดเนี่ยก็จะมีคนแอบเข้ามาตัดสมุนไพรบ้างตัดไม้บ้างคราวนึงก็มีคนมาแรงงานก็มีคนมาตัดสมุนไพรในวัดอ ต, ตมาก็ขอแรงพระนี่ไปช่วยกันไปช่วยกันไล่เขาให้หน่อยนะ คือพอเขาเห็นพาเนี่ยเขาก็าก็หนีไปแล้วนะก็มีลูกหนึ่งถ้าไม่ถ้าไม่ไปท่านก็บอกว่าเนี่ยปล่อยวางแล้วอนาะตมาก็บอกว่าเนี่ยป่าไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ว่าเราก็ควรจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อป่าใช่ไมฮะก็ต้องตอบแทนป่าด้วยการรักษาป่าไว้เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ษาป่าเพอยึดมากวมาเป็นเราเป็นของเราแต่เรา เรารักษาป่าเพราะเราเห็นประโยชน์ของป่าและเราเห็นบุญคุณของป่าก็ตอบแทนเข้าไปคําว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยหรือปล่อยวางเพว่าปล่อยวางหรือการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีคําต่อท้ายเพิ่มเติมว่าไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะแต่เราพูดสั้นๆว่าปล่อยวางเราพูดสั้นๆไม่ยึดมัน่นนะเนนี่ยเวลาบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าถ้ามันป่วยก็ต้องรักษา การรักษาคือการทํากิจคือการทําหน้าที่คนเราเนี่ยไม่ใช่ทําอะไรเพียงเพราะว่ามันเป็นของเราเท่านั้นถึงไม่ใช่ของเราเราก็ควรจะดูแลยกตัวอย่างเช่นอาตมายืมโทรศัพท์มือถือของคุณยืมรถของคุณมาใช้เนี่ยไม่ใช่ของเราใช่ไหมก็แปลว่าเราจะปูยีปู ย, ยําก็ได้ใช่ไหมถึงแม้โทรศัพท์ไม่ใช่ของเรารถไม่ใช่ของเราเราก็ต้องดูแลให้ใหมันดีดีอาจจะดีกว่าตอนที่ส่ง ตอนที่ยืมเข้ามาก็ได้คนที่คิดบอาเอ้ยรถไม่ใช่ของฉันรถไม่ใช่ของฉันเพราะนั้นฉันจะปูยี่ปูยังไงก็ได้ฉันไม่รับผิดชอบก็ได้คนอย่างนี้น่าครบรึไหมคนอย่างนี้ทั้งมีปัญญาไหมรถไม่ใช่ของฉันโทรศัพท์ไม่ใช่ของฉันแต่ฉันก็ต้องดูแลใช่ไหมฮะแล้วคืนกลั บ, บคืนมันกลับไปในสภาพเดิมบ้านไม่ใช่ของฉัน แต่ฉันก็ต้องดูแลเสียก็ต้องซ่อมร่างกายไม่ใช่ของฉันแต่ว่าถ้ามันป่วยก็ต้องรักษารูไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยจิตที่มีเมตตาเราดูแลเขาเราช่วยเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นของเราแต่เพราะว่ามันคือสิ่งที่มนุษย์เราพึงกระทาต่อกันช่วยเขาเพื่อเฟื้อเกือเกอเก้อกูลเขาเป็นกระยัมิตรกับเขาอันนี้คือความหมายคาว่านะปล่อยวาง แล้วถ้าคุณปล่อยวางเป็นนะคุณทํางานคุณจะไม่ทุกนะคุณจะคุณจะทํนะาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสพราะเห็นนี้แต่ที่ซีเรียสเพราะอะไรเพราะไปยึดมั่นถือมัน่นไปยึดมั่นถือมั่นในผลที่จะเกิดขึ้นไปนยึดมั่นถือมันม่นในงานของชั้นงานของกูมันต้องออกมาดีคนต้องชม ถ้าไม่ชมกูไม่ชมงานไม่ไม่ชื่นชมงานนี้ก็แปลว่าไม่ชื่นชมกูถ้า ง, งานล้มเหลวแปลว่ากูล้มเหลวเนี่ยมันมีตัวกูตลอด เ, เวลาเวลาทำงานเราถึงทุกเนี่ยแต่ว่าคนเราเนี่ยสามารถจะทำงานได้เต็มที่และไม่ซีเรียสได้เพราะาเราปล่อยวางในผลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นให้ให้เข้าใจถูกนะว่าปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องการทำจิตมันไม่ใช่เรื่องการทากิจ แต่มันจะไปเสริมให้การทำกิจเนี่ยดีนะต่อเนื่องแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยดี่ลยครับมีคำถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอถือโอกาสนี้นำเรียนนะครับว่าปัาจจัยที่แย่งโยมติค้ม ท, ท, ทั้งหลาได้รุ่งแต่ทำบุญในวันนี้เป็นจนวนเงินอมือนหันบาทแล้วก็ของรางวัดขนมรางวันรวมสุทธิสองหนบาทรวมเป็นเงินทาบุญทั้งสิ้น4ี6ห5ือบาทนะครับแต่ผมขอ